I am the ocean. พระภิกานานทััาทังััง โลอาภเวตโอะหูตโรรมมินเวะมะลานโตัสังะเวะมรมัง พระสมณเจ้ามหาิพุทจ้าพระพิเอวมารวัตรพรยาพระพิญญาพรัฒนัฒน์ิรัมิอิกยาัติกยาณามาริโยตานรยาัง p a pha pha p h h a pha p ธรรมยัธรรมะจิตวิสงปรมาเปโยอสโมตัณฑติโกอัสสานิโกเอิโิโกปามัมิภโย to h e t us pray. आ त ् म โตชาวเทสุอาลุกามสุนิกาหราบาวัสสิรูปามิจักเวรนาหิจักสัญญาหิจักสังขาราหิจักเวรยาโนหิจัรูปามานัสสิเวรนาานัสสิ Samjha, samjha, samdhara, samdhara, vinyana, samdhara, samdhara, samdhara, samdhara, samdhara, samdhara, samdhara, samdhara, samdhara, samdhara, s So a te a n a t i te m o o j ka i y เทนะภะเที i นุตังเทนะภะเวนตังภะเทนะอัตตั n ภะเทนะมะตังภะเทนะสัตตะภะเทนะมสัะภะมะัะ เทวนาคุตาตาเทวะมนโมะิยังิมสเะตสุปันสะอันิยันวะุิ เดือนอยาอเดี กาตังานสัมปยุตังรู เตนะสัมกอิตังสัมกอิเตนะสัมกอิตังสัมกอิเตนะสัมกอิตังสัิเตนะสัิตังสัมปโวิปโสัมปยเตนะวิปยตังวิป บัญญัติธรรมกายธรรม ปัญญาติโยนัญญปัญญาติอาศัยป um> ัญญาติธาตุปัญญาติสัจปัญญาติอินทรียปัญญาติปูรคลลปัญญาติจิตทวตาปูรคลานังปูรคลลปัญญาิสมยวิมตัสั ญาวิมุตติภตติภูฏปะทัมุริหานัตมุติริหานัตเจตนา ปฏิปันนะปุวปัเลติโตอะระหะอะระหะตายาปฏิปันโนโอกลงภะละมติสิกปะระมเถนติอามันตายวสัจจิกะโทปะระม ติสัชิกาตตาปรมาเทนาตินะวัตตะเรวัตตา กัตโตภ aram าโตตโตโสภุกโลอุปัระคติสัจิกตภ aram าเทนะติมิชฌายเกติกุสละธรรมะสะเพตกุสละมุาลยวปนกุสละ ธกุศลายเกติกุศลธรรมสัพเพเตกุศลมูลเลเอกมูลลาวเสัพเพเตธรรมกุศลเอตุปจย ปฏิปปัจจยนันตรปจยัันสสะตรปัจยสหชาตปจจยาันญัญญป โยน n สยาปจะโยนุปนีสยาปจะโยนุเรนชาตาปจะโยนปชาชาตาปจะโยอาศิวนาปจะโยนกามาปจะโยนมปากา โยอาตติปะจะโยนะ สสลาธัมมอุสสลธมอคยากตธมสุขายเวทนายสัมภยุ ยเวทนายาสัมปายุตตาธรรมะวิปากาธรรมะวิปากาธรรมะธรรมะเนวะวิปากนวิปากธมธมอุปาินุ ยะปะหาตตาภะเถระตุกาตัมมะเนวตาเสนนาะภาวนายะปหาตาะเตุกาัมมอาจยามินธมะ เขา ตาปายตานั ปัญญาตาวินภียังจตตาริอาิญสัจจานิทุกขังภิญสัจจังทุกขสมุทัยโยิญสัจจังทุกขะมีรูทุกขะมรามินปิปิสัจจัง ปานยุตยานางอิดันตัวอาสวัขยังอิฐที่ดำมังอโุปัดตัวอิฐที่มนตาดนามัมีหังติดินน้อยโยวาตบุกมหาตินางลวานน้วนตะมวนติสวัสิมีอติันตัวตินางโอ้ขังนามัมีหางติดโย เทวมนุสานางประยน์รมานมวดตมวดปรยนนานสุานานิหิมตรีย์นมามีหางสสวาวิรตตาติตัววยสวประมาสวสตรีวะกียสวยปปัดเตปมวเห็นตัวสวประวันนนมามีหางปลปจิตตาเยส ขบมาปะขบมาเปนาตาจินาเป็สัตว์เตปะหาเสนตัวปยะสันตั้งนมามีหางข้าขา้ตัวเย็นสัต์ทำมัวขบมาติตัวสัตว์เทวัวตังขัดจมาวนสีวางรั ม, งมามยานั้มาน้ำมามีหางวาวานั ตมิโยตันหาวจักพาสติอุนตมาวานนิพพาปนานไถยวยมันตนะมามิหังอาณาสัต สัพพสัตตานันทสัมเพติโยทิโนอนตคุณสัมปันโนอันตคาณิระมานิอังราระโทนิสัมปันเตระตัวสวสัตมัวจะเนรมาตเตทัสสตติรณาจะผักธรรมามิอัง อันยะเตปปะเกตัมเมหังสาเตปีปรามันนหังสมานามมหาวีระอันตะปปัน้ำามีหังสังสังคตาสังเตปัมเมสังมาเทเสสิปานนางสังสาลังสังวิกาเตปีสัมบุตรกัณมามีหังมามากาวปาิโต วัสเมันนานเบตมมัตินวดมานิตัวเตวัสเสีมันน้มน้มามีหางสามสันใจยามมาระิงสามมาสันติทสวะสุกมาตตนวดฉลานางใยากัตตวาสันตัวามมน้ำมามีหางพุทธพุทธิตวะจตุสัจจานิพุทธชาเปติมหา จะนั่งบจะเป็นตาสิวังมักทางบวญเกษตรทางน้มามีหงตัวตัวตีราเจะตัวเสนะตโมเหตจะบานินางตัวตาสวงมหาวิรัตตัวตะเกละสามนมามีหางีวิวิญเกวสัตธรรมวิจิตตวธรรมวิเศนาวิเวคทิตติ ตัวอยวิธิกรรมน้ำมามีหางจาจาทีมัวจรารรมัวชาติอันตัวปะปาสิบอนชาติเสนเนะปุเถนะจาติโมคัมน้ำมามีหางจจยเตปุญญาสัมปาเลจายเฮิสุกสัมปังจ่านัต่างปาปัปปมานี่จะชาเปิดตัน้ำมามีหางร เรามตาเยนนิ้นม่านนงรกิตังลวสำปะกางรจาภสานที่เตะเสียหิตััน้มามีหงนานั้นิโตเยยว่าพรเมหินรเทเวหิสันทานตัวสีหันนาทางโยนทานตตั้นมามีหงตัํงตคาเรติวิเตโรเหีสัญจาน ญติอนิจจะตัวสำมานิพนธ์สปัตตัวปัมปัสันตินมามปัมปัมคเตูติสำปานเลปัสตัวโสสเิวติปัญญายอานสมัวโหติปัสสนตัมตัมนมามีอังโนนเพศที่มะยำปั no, no. No, ่นต no, ังโจะปาปังอปาระยิโวสมวอัน ปัญญายาณุนันต์มักน้มันมีหางสุตสุนตโรวรรูเต สุดรวดธรรมภาเสนสุดทัศน์สิสาเปติสุขตัณนมามีหังฆัดขันตนตัวรวที่ยัตัมขันตุนตัวอมตังปตังคตัวสวสัตมัวเจตังขตัญญานัมมามีหังตตัเสนตัววรธรมเนศตัวสัจฐานเสิเววเรตตัวสังห กาสิชันตูนัตัวระดิตตั้มน้ำมามีอังโลโลเทจะหาทิสัมูุตัวหลวเกษตรหอพุนา ต, ตัวหลวเพสเตัตเตจจะหาเพจทิล่ลวงประศัตร น, น้มามียังกากันตัวโยสักประสัตรตา낭ตัดตะวันทุกข์กับยังยิ่งนองแต่เทนตั ว, าททวมาตุรังทำบังกะทาสันหัง น้ำมาม่หางวิวินัยยัมโยะปะาเสถิวิทางเศรษฐวัตรโยะพระเววิเศสสัญญาณสัมปันนววิปัสสันนำน้ำมาไม่หางถูถูเสสันเตปะกาเสนตัวทูระต่างนั่งปะกาเสถินปาน้ำมาขมันถูสหันน้ำมาม่หางห่ันตามจาริกฉลาตที น้ำอากาศีปุถุสโพหินุสาิเตนะ สาเสงตักน้มามีหางนูนนูเตติรรก็ติตานินู ท, นาทาเตติฝรังจะนำนูน่าอัดตักมนุษย์สา น, นังนูสาสันตักน้มามีหางตาตะโนติุสลักตมังตะโนติทาามัมัตสนาตันหายุรันตานังตันหาคาตัน้ามามีโรโรเซนเตนเน วัฏฏ เ, เติโรเสนเนวันภูติจติโรตานางตาค ทีนังล้วนทัศน์ต่างนิมมานมีนังปู่ปุณณต่งอัตโนบะปังปุเวต่างอาศะปารมีปุญญาวันต่าสระชัดตะปุตปูต่งนมามีหังริริปุระทิปูตาวริปิยาปฏิหันยติริปังตัมมนักาเลขารยวังนมามหังาสม ปัณโวสีเลนะสมาธิปวโรวจินวัามภูญาณสัมปันโนสนาวาจันมามิฮังมาเม้าตัวสัพพิจตานิทวิตตวาปิสเทวะตังัโตอาทัตเ์ตังขันตินดริยังนมาภิฮังมาเมาสาธิณสัมบุตมาหันตังญานนภา มไม่ต่างนรเทเวมโนสุดทงนมามีหางสาสางเทติิตรสานางสาติกามาังปทังสารทิววสาริสารธรรมนมามีหังราครมมตาริยสารธรรมน้มาเปติเสนสาวกังลังเมธานเวกสาเปรณาอัน นมาม่หางติโยวรรณิพาเนติเรธาเนศสาวกวดทีรังฐานนาตตาเสติทิตาคัมภ์นามาม่หางสัตตธรรมเทศยิตวานสันตานิพานนาปปะกังสมาหิตังสาวะังสันตจิตตังนามามหางฐานางนิพานสังข ทางธานีนาฮิตตัวมุนิธานสัพตะิเวรังเมธาป็นนมามีหังเตเตมตัวโยสักนิพาณเอวมนุษยสปานินาเตินตังธรรมวรังทานังเอวเศษังณามีหังวันตระพังวันตะตัวสวันตมวหัอนาสว่วันที่ต่าง เทวประมอีวะรังพุตตัมามีหังมาตตาวิระเยนาปิมันตปารมีตัมนุสเดวปรมไมตัปตัมามีหังนุนาธรมมบกตาเสตตนนันทายาปปะนุนาทุปา ที่ปัณนานุภาปิตังนภาวิหังนภารานุาเสติสารธมเจนินัสารธรมมมนุสานสามตันาวีหัง นันท ah ันตัววรสัทธรรมินันทาเปติมหามุนินันทะอุเตหิเทเวนันทะยังน้มามีหางพุทธิตา a รียสัจจะนิพุทธาเปติสัตเทวังบุคขายานิสัมปันนังบุคขังสัมมาน้มามีหางทัวทัววิตตุทั่วมหาวิโรวตัววันตัวมารมณ ตัววิตาว า, านินาบาปตัวจเกลสัมนามีหามาไปยมาปันสัตตานางใยังหาเป็นนัยยะเวสัพเทอติกันตัวไปยะสันตงดำนามีหามาคันิโัเยนสัน์มัวคตัญาเนยนน้านินาปันฐนใยังวรพัม์ันหาเป็น น้ำมามีหงว่าวดีังว่านวานโมขายพิกูนังวาสิตังเปาวเรทัมนิ่าวาน้าน้ำมามีหางติตินวโสตปาปาติตินนวโสตปาปติตัวติเรนิปานสังปาเตติปยานังนมมีหาง ทั้โมุเจตะนจาระะะเุาีะ a s a u s n a n a a s The o o d t h a t of i e a i l Lord, o a a aha, aha, a h h a aha, a s a y s a n e g a i t k h saya i พระพิฆเนศที่พระเปรिยญเชียวัสรี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 I'm o t a boy, o a n i u s t a เราทำทุกสิ่งเาะะยังรสิงงเดียสอน am t h n o is o i n e w i e n i o n h o t t o o s e i n n i i o o e n t is e e n t i i o h e h t t o o e h h i t o e is i o e i i e s o t n t o i n t o h e t s a n e a a l k y o u e s t e o o n l i t is โอ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย I'm here in the dark. I am my own survivor. In the dark, I feel alone. I am so much more than I can bear. I'm the one who cries in the dark. แต่เพื่อนมีเงินมาและแตยาทีินก็ตที่ิดกันมทกกาานนากมนมนาทก เลี้ยงมาตาังรนันมเตนมเาจัส a d o n n d b n t k o d o i I'll okay. be. Yeah. sya t s a p a s h e d i p e h m i s tu e t o v a s so sa p a d y j a